ไม่กันมากแค่ที่จะเลิกม า, มาเวิร์กลงม า, มานี้ไม่เวิรก์กใต่ไปใส่ามาใต่ไปใต่ามาในวัดโพทธทิสมพอรอุดอรธานีมีพระมาโจทย์คือท่านขันไมแสดงอุตตรีมณนีกจะทําเออผมก็ได้เพรโอกาสพระเทพรานเทระแล้วครับผมจะทำโอ้ เราถวายหลวงปู่มั่นดยราอยู่กับหลวงปู่มั่นเขเรื่องอะไนี่เกิดก่อนหลไปหาหลวงปู่มั่นเร า, ายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็บอกว่าไวไม่รู้ว่าไวทางไหนไม่ทราบท่านบอกว่าไวคำเดียวเท่านั้นหลวงปู่เทพเวลาหลวงปู่เทพไปเยี่ยม เรายายามลงปุ่มให้พอได้โอกาสก็ขึ้นไปที่พักของท่านกับชิพกับท่านท่านก็บอกว่าถ้าท่านปฏิบัติจริงๆท่านก็จะพ้นในท่านให้สอดแสดงให้เห็นอย่างนีแสดงหินหัวลงมาแสดงแสดงวิวัตตะท่านพู้หวิวัตตะคือพริกแผ่นดินท่านผูนึ่งพริกข่าคริกพริท่นผูนนนนงแสดงเอาพิกในหารท่นผู้ห่ง ถ้าท่านทํำจริงจริงท่านก็พ้นบางท่านทําจริงๆงก็ไม่พน้นเพราะบารมีไม่แก่คข้าท่านพูดอย่างนี้เพราะบารมียังอ่อนอยู่ท่านพูดอย่างนี้บางท่านจะทําจริงจริงขนาดไหนก็ยังไม่พน้นเพราะบารมียังไม่แก่ข้านี่บารมีของท่านคงจะแก่ข้าแล้วกระมังท่านก็พ้นอย่งจริงละเออถึงเราไม่พ้นก็ตามเถิดท่านยุให้เราปฏิบัติมันดีละท่านก็พูดอย่างนี้ <c oughs> เดินจั่งกลมในอากาศว่างที่ังคาบ้างกระโดดข้ามกำแพงบ้าเหาะข้ามกำแพงบ้าเวลาลงก็พยุงตัวลงพยุงตัวลงอย่างนี้ <c oughs> ไม่ใช่ตูมลงพยุงตัวลงเบาลง ก็เปลนเหมกันข้ามคลองอย่างนี้มันไม่ค่อยข้ามละถ้ามันเกียวกับภาวนามันก็เดินข้ามเลยเดินในอากาศบางทีมันก็กระโดดเลยข้ามเลยถ้ามันเกียวกับภาวนา ้างข่าวที่อยู่เขาล็อกกูมั่นหลับขาภาวนาฝันว่าขีรถยนต์กับทานาจาร์มาหาบัวก็ดดข้ามห้วยห้วยใหญ่โตหัวาฐานรถนตนกระโดดข้ามเลยเออเราก็ไม่เคยขับรถสักที ทำไมเราขับเป็นพู <laughs> ดนะรถของเราก็ไม่มีทำไมเราขับเป็นนิมิตเหล่านั้นถ้าหมดกำลังมันก็ถอนออกมาเหมือนกันเพราะมันอยู่ใต้อำนาจอันิจังเป็นอันิจังอันละเอียดแต่แสดงให้เราปรากฏเพื่อให้เราชื่นใจเมื่อให้ใ ห, ให้ให้เรามี มีสภาแต่มันยังไม่ใช่สิ่งที่ปฏิสุทธิ์แต่เป็นสังขารทาอยู่ก็ดับเป็นบางครั้งนีแต่อํานาจอันนี้จังนี่มันจำนวนนั่นเช้วัวนนี้ไม่ค่อยมีนี่มันเาตัดจํานวนได้ๆแล้วพวกอันนี้จังเกิดขึ้นมาแล้วมึงก็ดับให้กูเห็นมึงก็เกิดให้กูเห็นมึงก็ดับให้กูเห็นเธอก็ดับให้ข้าเห็น ถ้าทำก็เกิดถ้เห็นพระทำก็แปรปรวไถ้เหพระทำก็ดับไฟเราพ้จารณาไม่ค่อยจะวุ่นวายในเรื่องของสุวรรเพราะรู้จักรสชาติา ม, ามาแล้วรู้จักลูกไม้ของมันแล้วมันก็ระเบียบ่างนี้พิจารณาเป็นส่วนมากก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นจะสักว่ารู้เป็นจะสักว่าอย่นองเนเพื่อจะทำลาย เพื่จะทำลายปุกาทานเพื่อจะทำลายภพเพือพ <newsp> พ่อจะทำลายชาติเพื่อจะทำลายความมีดีทั้งปวงเพื่อจะทำลายมาณะสิทธิของตนจะทำลายผู้ลูกจะไม่ยืนยันในผู้ลูกว่าเป็นต น, นจนเป็นผู้ลูกถ้ายืนยันแล้วผู้ลูกเป็นตนจนเป็ น, นผู้ลูกก็มีพบมีชาติอยู่เหมือนกันจนชบเป็นชาติอันละเอียบ รถทุกเวขาเกิดมาก็าให้รู้ทนจริงแล้วก็เกิดขึ้นแรกกาแฟควนระดับไปเหมือนดังหัวฝีรูปก็เหมือนกันเดินหน้าพระลงจงกันเป็นการรยกวิรูปเมื่อเกิดขึ้นมาได้ก็มีแก่หาระหว่างไม่ได้ก็มีเจ็บผ้าระหว่างไม่ได้ก็มีตายหาระหว่างไม่ได้พอตายจัดท้าสายบ่ายเที่ยงแล้วล่วงวันเวลาไปอย่าว่าตายแต่คิดใจไม่ยอมตายให้จากธรรมะ อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งจิดใจไม่ยอมตายจากพระพุทธธรรมผสมอันนั้นมันเป็นเรื่องหนึ่งแต่นคนละเรื่องกังความแก่จี่ตายอันนี้เป็นคนละอันใจที่ฝึกฝนในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ใจงงใจฉลาดคำสอนใดๆใ น, ใน คำสอนพุทธศาสนานะไม่ใช่สอนให้คนโง่ใครไปเสฟเข้าเป็นคนฉลาดทั้งนั้นละ่ะส่วนนหญ่ามากขึ้นอยู่กับผู้พิจารณาแยกคลายทำแต่ละวัดละบาทไม่ใช่ทําให้คนโง่ไม่ใช่ทําให้คนเพิ่มราคะโทรศัโมหะเป็นทำที่ทําให้ราคะโทรศัโมหะเบาลงถ้าฏิบัตถถิทูตถ้าพระเทวทัศนถูกก็เพิ่มเข้า มันดีสำหรับเธอแต่มันไม่ดีสำหรับนักปราชัยคำสอนแต่ระบทระบาดเราสอนให้เธอบรรเทาราคะโทสะโมหะเธอกลับเอาไปบวกให้บานหน้าเข้าโมฆะประหุตโมฆะประหุตมันดีสำหรับเธอแต่มันไม่ดีสำหรับนักปราช เธอหยอ่อนองคชาตลงในถาวันเบาของมาตุคามเธอหยอ่อนองคชาตของเธอลงในลุ่มสารเพลิงมันดีกว่าโมคัปปุและเธอหยอ่อนองคชาตลงในปากงูเห่าดำก็ยังดีกว่าโมคัปปุลท่านพูดทำไมเพราะมันล่วงไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้พูดให้ผู้ฟังอยู่ข้างหลัง เคล็ดลับส่วนพั้มันเสียไปแล้วว่าเป็นประโยชน์แกผู้ฟังอยู่ข้างข้างหลังพราบรมศาสตราลุดาหย่างหย่างเพดเแสบแสบเหมือนกันบางเป็นบางค่ะงในสช่นบางทีสั้นก็เทศนาแบบปอดโยบอกโยน บางทีก็แบบดุหนาบางทีเราไม่พูดพระนอพนอตัวกเธอเนอะเราจะขนาดพวกเธงท่านก็บอกไว้ก่อนนะจ๊ะเราไ่ลงในศาลเลนะบางทีก็พูดพระนอพนอมีหลายวิธีวิธีพูดพระนองพนอก็คือมีวิธีพูดกับพระอานุ์เป็นบางครัง้งพระอา น, นุ์โศกเศร้าอานนนเอ๋ยเธอจะไปโศกเศร้าทําไ ม, มเธอผู้จบัตรเรามาเธอไม่หวังเพื่อลาภเธอยศอันใดหรอก เธอเขารบเราอย่างจริงจังเมื่อเราเข้าสู่ขั้พานไปแล้วนี้เธอจะได้สำเร็จพระราชในเวลาแต่นี้ต่อไปสามเดือนเธออย่าไปเสียใจเนะธรรมวินัยอันใดเราจะสาคตไมไ่รับเธอและทัวทั้งใจโรกทาตประกาศให้หมดแล้ว ทำใหนัยนเองนจะเป็นศาสนาความโปรดร้ า, ายแต่ละบนระบาดรจงพาพันิบัติเอาอย่าประมาทเน้ะนี่อย่ า, ายงประเทศปลอบลอยู่เทศย้อนถามใช่นวิธีย้อนถามย้อนถามทำไมย้อนถามเพื่อจะให้ผู้ฟังเข้าใจครับไม่ใช่พรามบรมศาสนาไม่รู้จักมันแค่ว่าที่ รูปไม่เที่ยงหรือไม่เที่ยงจกรวรรดิไม่เที่ยงพระเจ้าค่าซึ่งได้ไม่เที่ยงถึงนั้นนึกเป็นทุกข์เป็นสุขแล้วเป็นทุกข์พระเจ้าค่าเมื่อสิ่งนั้นเป็นทุกข์แล้วเราจะมายืนยันว่าเป็นของเราของเขาของสัตว์ของบุคคลมันจะถูกไหมไม่ถูกพระเจ้าค่าเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าถ้าเป็นเรามันก็ต้องห้ามได้เพราะเราไม่ชอบทุกข์ เจ้าข้าว่าเราชอบของเสี่ยงนี่มันไม่ใช่ของเรามันจึงมาเสียงมันจึงเป็นทุกข์ย่อไม่ควรยืนยันว่าเป็นของตนของตัวเป็นแต่สภาวารูปขันทีนี้รูปในอดีตรูปในอนาคตรูปในปัจจุบันรูปหยาบรูปละเอียบรูปประเนีดรูปคล้ายๆรูปที่ายๆโดยใจความพูดให้เข้าใจง่ายๆดินน้ามไฟลมที่หยากดินน้ามไฟลมที่ละเอียบ ดินน้ำไฟรมที่ปนิตดินน้ำไฟรมที่ใกลบินดินน้ำไฟรมที่ใกล้ดินดน้ำไฟรมที่สุกุมดินน้ำไฟรมในปัจจุบันดินน้ำไฟรมในอดีตดินน้ำไฟรมในอนาคตเป็นของเราหรือไม่ในตังมามาในโสหามัสตสมินั่นมีโสไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพระเจ้า้าเออดีละดีละทีนี้เวทนาความสวยอารมณ์ทุกข์ก็ดีทุกข์ก็ดีอุเบกขาก็ดี ในอดีตก็ดีในอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดียาพื้นก็ดีละเอียดก็ดีเวทนาความสวยอารมณ์ทุกทุกเบี่ยงขาไกลก็ดีไส้ก็ดียากืดีละเอียดก็ดีประณีตก็ดีสุขุมก็ดีเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถึงได้ไม่เทียงถึงั่เป็นทุกถึงนั่นเป็นทุกเราเสียั่นกบเป็นอนัตตาไมาอยู่ในบังคับบัญชาของเราถึงพระเจ้าค่ะเออ ถ้าอนั้นเธอทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงเช่นเออยัตาภูตังสมะปัญญายะถาปังทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงสัญญาความจําจํารูปจําเสียงจํากลิ่นจํารสจําโสดสัพเพจาธรรมารมเป็นของเที่ยงแล้วไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าเมื่อไม่เที่ยงแล้วเป็นทุกข์และเป็นสุขก็เป็นทุกข์พระเจ้าข้าเมื่อเป็นทุกข์แล้วจะมาถือว่าเป็นตัวตนใช่ใช่ไหมหรือไม่ไม่ได้ใช่พระเจ้าข้ายัตถาภูตังสมาปัญญายะถาปัง S <S ท่านทางหลายต้องลงตามจริงนะสังขารความเปล่งแ่งแห่งกิจไม่ดีให้ช <pun>. ั่วบ้างต่างราบ้างเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค้าเมื่อเที่ยงเป็นทุกข์หรืเป็นสุขเป็นเป็นทุกข์พระเจ้าค้าเป็นทุกข์แล้วจะสําคัญนะเป็นตัวตนใช่ไหมไม่ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าในธรรมะมีโสหะมาสเมิร์มีโสอันนั้นก็ไม่ใช่เรม่ชของเราดังนี้พระเจ้าข้าเออ ยาขาผู้ตังสรรมาแปลงยังไงก็ยาจะตั้งต่ปางท่านจงรู้ธรรมจริงเชนเนอรที่ดีวิญญาณจะขูวิญญาณวิญญาณทางดวงตาโสตวิญญาณวิญญาณทางหูอาศัยรูปกระทบในตาเกิดความรู้เพิ่นจะขูวิญญาณมารวมนั้นรวมนี้อาศัยเสียงกระบหูเกิดความรู้เพินเรียกโสตวิญญาณว่าเสียงนั้นเสียงนี่เป็นต้นอาศัยกลิ่นกระทบจมูกเกิดความรู้เพินเรียกคานะวิญญาณว่ากลิ่นอันนั้นอันนี้เป็นต้น อาศัยรถกระทบเลื่นเกิดความเร็ขึ้นเรียกคิวหาวิญญาณว่ารถนั้นรถนี้อร่อยหรือไม่อร่อยเผ็ดหรือเค็มเป็นต้นเหล่านี้ยประเมินกันอาศัยผลสภาพกระทบกายเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพะเจ้าค่าไม่เที่ยงแล้วเป็นทุกข์หรือเป็นสุข ก, ก็เป็นทุกข์พะเจ้าค่าอันเดียวค่ะก็กที่อธิบายมาแล้วนะ ลงอันเียวกันแต่ขยายออกตัวกองนาลูกเฉยๆทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งพันจ็ดวันทั้งเที่ยกลด้วยทั้งเทีกลด้วยทั้งหยาบทั้งละเอียดด้วยทั้งสกุลด้วยทั้งปัญญิด้วยวิญญาณคือใจจักขูวิญญาณชดวิญญาณคานะวิญญาณเียวหวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณอาศัยโรกทุกตาเกิดความขึ้นเนี่ยจักขูวิญญาณ อาศัยเสียงกระทบหูเกิดขึนความดกขึ้นจากโสตวิญญาณอาศัยกลิ่นกระทบจมูกเกิดความดกขึ้นจากคานาวิญญาณอาศัยรสกระทบเลี้ยงเกิดความดกขึ้นจากจิวหาวิญญาณอาศัยปวดท้องกระทบกายเกิดความดกขึ้นจากกายวิญญาณอาศัยธรรมารงเกิดขึ้นกับใจเกความอนุวิญญาณวิญญาณทั้งหลายเหล่านี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าเมื่อไม่เที่ยงเลยเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็เป็นทุกข์พระเจ้าข้าเมื่อเป็นทุกข์แล้วจะมายี่ยันว่าวิญญาณเป็นเราเราเป็นวิญญาณจะได้ไหมไม่ได้้พระเจา เนตองม่มาเนโสหมาสมันะ่สมนงเมโสอันนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราดังนี้สมมสมสมติว่าเจ้าข้าเออดีละดีละเมื่อฟางวกทั้งหลายได้ฟังอยู่อย่างนี้แล้วรูปปัตตเมิงเป็นให้นบินทติก็นายรูปดินนั่าแฟรลมชมกันเป็นกายนี้ เ, เดียวก็รูปลานายไปสะแล้วทา้งอดิตทั้อนาคตรูปปัตเมิงเปรียบในบินทัติวเวสนาจะเป็นใบินทตินายเวสนานายเคยที่หลงมาเวทนาเป็นตนตนเป็นเวสนา นายสัญญานายที่เคยร้องว่าชัญยาเป็นตนตนเป็นชัญญานายสังขารมาเป็นที่เคยว่าเป็นตนตนเป็นทังขารนายวิญญาณที่เคยว่าวิญญาณเป็นตนตนเป็นวิญญาณเมื่อนายกิบพ้นรุดพน้นก็รู้ว่ารุดพน้นก็พรมอาจารย์ได้อยู่จบแล้วก็เส้นอาชวะไปเท่านั้นแหละท่านเป็นพระอาจารแต่พวกเขาท่องบนจนจะตายก็ไม่ได้ <laughs> เป็นเชี่ยวจะขาขกินทอาก็ป่วย ก้ตองฮะรู้ให้ชัดเจนองถูก้ชัดเจนต้องรู้ให้ชัดเจนแล้วก็ต้องให้ได้ด้วยอย่างน้ถูชัดเจนแล้วชาคนมรัของตนที่เคยลงมาด้วยคาว่าไหนก็นายความรักของตนที่เคยเขาจะผิดนั่นเองไม่ใช่นายสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่จะไปนนายเอาหาข้อหาใหม่ไปทุบไปตีสิ่งเหล่านั้นนายคมลักของตนที่เคยลงมาที่เขาจะผิดนี่ไม่ว่านายโทต้องรับได้ เด็กคุณพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระธรรมทั้งหลายพระญาสงทั้งหลายตลอเครื่องสร้างสาโลกาาเบื้องว่ามือห้าทั้งหลายทุกถนาต่อส้งสตยโลกาาท่าพิพระพุทธพระธรรมพระสงเลายว่าแก่นนอันหนึ่งก็ดีขอพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระธรรมทั้งหลายพระาสงทั้งหลายจทรงอโนแหแกมห้าุเมือ มูนมีประมาณจาาาัต่อข้าศึกภายในภาคคนจกักศุกในวัดต้องสาในตรงมือมมีประมาณกาอาเทิรนจะระวงมูเฮ้าทั้งหลายใช่ไหมตัวทั้งซัพพโลหธาตุต่างคายต่างเนี่ําผิดกันด้ว ย, ายากายและสามแก่ซีมันมสามอันใดอันหนึ่งมาจะพบควาสากคาวากรีวัจันิจะเป็นไปในขนา้รีมูเฮ้าทั้งหลายต้องผูกขาดจอขาดยังในมีเวน้นในไข่เสีกันแลวกันผลทุต่ายมูเฮ้าจงอุตสิกุชนนให้กันและกันในรับของกันแลวกันในตรงเงามัมีประมาณจงปัจาก เวีนไพ่เื่อกานและการเนี่ยทรงมาบ่มีประมาณเมิตรเป็นสียหายกันใน้างที่ชอบทุกนหนาอยู่บ่มีเวไม่ไพ่เ่ทรงมาบ่มีประมาณดาวตาเถาเขาโทรไป้ังผนจากทุกในวัดทั้งสองศารทุกนหนาอยู่ทรงมาบ่มีประมาณก็ขาดเถิดในนี้ทำวัดวัดทัวทั้งไต่กระดาษะเนี่อาให้หายพอนเป็นที่เนาะอามนนี่ครับเอาไหมไหนะมันนี่ว่าเขียนใช่ไมเาท่อทั้งหมอตะก้อเอาท้งมดตก เาทำอะวรทั้งเขเไปเนื้อหลกไปพ่อแยง่ะท้องค่ำท้อสิมาหานเป็นขี่หินขี่กวัวมันก็เป็นไปบปะไร่ิว่ว่างไรจันนั่นนี่ท่านอนเอกเรียกขึ้นว่าเ้าถิวิจารทร์ปราะนั่นบ่ละท้อนี้บันสันงขอเมนี่นบ่ กดหมายกดมูกดผักกด พ, กดพกวกบว่วองบุ้งคำสอนของคุณทจ้าไปตลอดคือเขาเนี่ยหมอมามื่กคืนเนี่ยออกเก็บตัวยังเกาะยังเกาะเอาภาพไปบูชายันเพราะฉัน พไปอยู่สายันบหมู่ส้ายันภาพไปอูฟายันนะเนะี่ยนีมอกทุกริงทุกของพระพุทธศาสนาตายไปในตบมลหกเวทมลหกก็ได้เป็นเพทเทนเั้นเป็นเพทเอาคอดทุกหัวกันบัานเนี่ยส่วนที่ยังเสิ็งกูตีบุ้งูตีกูนะฮะ มันมีอยู่เป็นเพจข อ, อทุกขอกนกูตีมมึงสี่ขูนี่นเยอแยะไเปดตะวันไทยในพวกวัตถุเพ น, นมีอยู่พวกนี้อะพอทุจทิท้ง ท, ทุกของของสงเนี่ยนล้เอาเงิอ น, นเจาคนมาแตกชนในอันไนทำของกูตะเจ า, วว า, า, เาะวนั้นไปออกม้เนาะมันเข่าขางตัวมันเขาขางที่เหล เน้อตอกแต่ขาในอนณาธิมของพุทธเจ้ า, า, ชาเช่นปวงหาแต่ปโยกอบโยกุณโณทฤษฎีศาสนาพุทธิริสก็ท่านเชื่อไปบ่นออกอันใดมากมิจะเบียดเียนพระพุทธศาสนาหลดง้างแผนอันดขนมากมีจะเบียดเบียนในพุทธศาสนาคล า, ายก้ว่ดินกินข้อรักษักับศาสนาอื่น แล้วอหมูอีน่คถึมแมออกคนหมยคนโมมาคคนโอมานประชาธิปไตยนะประชาธิปไตยเกินห้าประชาหาประชาชนนับปทังกิเรตเนี่ยละกันเย็ดยังไรละกันเ่ยน่าบุห่อธรรมะที่ปไตเป็นแวนพระพุทธศาสนาธรรมาธิ่ปไต่เนียประชาธิปไตยจะปักเย็ดไปมาถึงโมแกนใช่ไหมคือคือคนเท่าซึ่งแบบแกวแบบข่ำแบบถ้าขอมเพิ่นคือขีน มีนเปรนกับเกี่ยวกับข้ามยังไงที่ว่าัตรคีบรถกับสร้างกันไาบอกว่ดีมันก็ดีมันมาสาคัญกับซื้อได้ยังไงซื้อว่าถ้ํา่าที่ปัตย์ปันได้เน็ตว่าเป็นถ้ํามันก็ทําเก่าซื้อว่าประชาที่ปตยปันได้เน็ตเป็นว่าเป็นถ้มันกับประชาชนทําเก่านะหรว่าอัตราที่ปัตย์ปันได้สร้างเน็ดเป็นธ้มันกัเป็ีนเมอชาวพิเศษสามต่างก้นไม้เป็นอัตราที่ปัตยเนี้ยนไม่เสียหาบริบูรณ์คนเป็นพระโดาวัน ตักคนไม้เอาเองม่อไปผสาวเขาขวา ง, งตัวออเอาเส้นหาเป็นแวนนี้อย่างพวกเส้นหาแล้วอันนี้มันปีนเกินไปแล้กับพวกออกอขาพ้หันาหานชีวิตขาันขาผหันให้ตายต้องผ้าหันชีวิตขา้าหให้ตายต้องผหันชีวิตจนหาโอเบลต้องขาพระโมกคลลโจนหาลอย ขาเพ่อนเอาุบายนี้มาเดยขาเพื่อนเพ่นเหาะนี้ขาที่สองน่เพื่เหาะนี้ทะลุเว้าันนี้ข้างที่อสาวน่เพ่อนคือเห็นรู้ประกำของเพื่อนเคยจะทำทางทำทางเสียเอาแม่ไปโวดกำอันนั้นนํามาเพื่อนโอ้ไม่ได้เลกระลาพระพุทธเจ้าเล็ดขึ้นไม่เขาขาเขาก็เลยขาตายส่วนเขาขาตายแล้ว สาสนาเอื้นจ่างเด้ถ้าพัดรับพระ่า ด, ดมเกิดขึ้นมาในมูห้านี่ยอกวงถอดปนถอดแกวห้ามมห้ามลูกไม่หลับไม่ยดเลยขาพะโมกข้าราชารีบุตรปแล้วยิ่งพ่นพระพุทธเจ้าก็ติดต้ลงเลเพ ร, ะพระาะภาษาลบุตรกับเป็นคนมีปัญญามากคนมีสายมากพะโมกข้าราชกพอเห็นแทว้วดเท้หลาลงมาเถิดให้มนุษย์โลกฟังมีกำลังมากเลย คนเงีเสียงใส่ขาส้าวสองคนเียแๆหลังของมห้องก็จะขึ้นแทก็เลยจ่างเขาจ่างประคนที่เราไป่า่าล อ, อยคนค่าพญาย่ามครั้งที่3ามเลยดเดี๋ยวขกคนเขาเลยออยอกเงยบเสีงแล้ว่ า, าปอกเิดอยู่ในโวนเต๋อ ยุ่งว like ่ายุม่าไปกินเหล่าในโรงทุลาที่ไนแล้งตำรวจข้าเจาจับจุ๊่กินเหล่าในโรงทุล่าเลยว้ามูห่าขาดมูคาร่าเข้าเนี่ก็จะมันคักนอ่ะเกงวันนี้ก็บพวกคนขอดห่อมูห่อหนี้เ่าจ้บัหนึ่งขาาดคืนคนทั้งหารอยเนี่ยไปกิมาเดียวกันพวกรวจขาเจาจับคักล้วข้าเจาะกับมุมรับแล้วบาดเนี้ บเคร่องหาครบเลยชอบาลยจับแบบฟังเลยเพราะเพียงเจราะชาวพิพิธสารแห้เอาไปฟังเลยเพียงแคลงแคงแมีโอเพียงเพียงแอกเมีฟังแล้วเพียงข้อเขาไม่แล้วมาเพียงหัวใจก็ไม่เอาไทเล็กถหันไท้ไทเล็กแตมีมาแต่ถุผลแน่เลยมองสันมาว่ามันมีแต่สมัยสมเงินเลเแ้่เราคิว่ามันด้อยบว่าสมัยคพุทธกาลไชเล็กแตมไม่มีมั่ถุนล เั็ดไปจักบมหรือที่องค์ว่าเขาควายดันหนงอย่ง้ไม่รู้แล้วองว่าไทเล็กไปไทเลยนี่ใส่เครื่องกับพระจักรเลปันหาก็สอดขมาราพระเจ้าพิพิษภารเลเป็นก็ตัวดาวันีลยไปขามานรู้มุกฮิดบุกิดิีนหาบอกเลยไอ้ของีสั่กับตอบนกอยางงี้วะั่ก้อนม้หุ่นขามันพระเจ้าพี่ไปสารขาเยขาตั้งไว้จะร่นเลยวะสั่งพระเจ้าพี่สารสี่ขาจะได้ก้ไม้หุ่นขามัน คื้นเป็นประราชีพเนี่ยพระพทเจาวก็ให้เป็นเนพระวิไรด์วัให้เป็นวางเลยทำผิดนะคือพนเป็นสังฆาที่เศษมันทกอย่งือพวกจะพ้นขาเขาตายเมื่อหเนี่ยว่ามันอายการเนี่สิไปตัดไปขาแล้วก้นไม้เขาตั้งมาเดียวก้ไม้ขอขาบองสันว่า ทางเะแบบมอแม่มุกสาสนะพุดอไปว่ารอดกระเท่าวังไหนก็ทางมีค so ูนับถ <the> ือหอก็สับถือผู Skill ้เดียวหรอมีผ hmm. ู <cons ul> ้เ <environment> ดียวใช้มัดไตเรากรานางมีผู้เดียวห้องกระสือไว้มุกนขาสรุปมั้กะสิอว้ขันนาไปทั้งได้ห่าไว้ได้ทั้งนั้นแหละจะจีบใจว่าผุ้โทษสมโภชโค้ดกระสือวางเลยพี่เขียนหน้าขับ ม่ไดโอดอย่งเขาเาทั้งแรกหลัความละอายต่าบาปความกัวต่บาปเท่านั้นจคุ้มคล้องลงได้เมื่อละอายต่บาปครกัวต่าบาปจคุ้มค้องลกได้ยังไงนันพระพุทธเจ้าเอาไปทั้งองขอ่ะนี่ความละอายใจใอตะปะความเพียงกลัวทําป็นโรคบายคือคุ้มคร้องลกสองอย่างนี่ดิความละอายใจใจอดตะปความเพียงกลัวนีิียมันอ่านเป็นภาษามก การเป็นภาษาไทยที่นี่ในคลองดีตะปันนี่จ้างข้ว่างเหในคลองดีไปดวงไจตปันนี่จ้างข้าว่างเหระถ้าจะมาตัวไปไเขาขอไปให้เงินเต็มเปนสอปเดีก็์่อยเเว่าทซนี่อมค่ามาปูดเขาขอไปใ้นําตัวเขาเขาไปยังสั่กตัวสั่เป็นตัวซะมาตัวอ๋อือมาจ้างครับซือ าการทำลายพระพุทธศาสนาจะจะสืสนใช้พระพุทธศาสนาเตือไปฝากไปดีนะเขาบอกอยู่ว่างเลยตัวอับหยังมาสาั่นขัตัวเป็นขันบนับมาเนี่ยบอกของเขาจะขัดตัวหยางบอกเดี๋ยวใชพระพุทธศาสนาปัญญาพุทนเกิดตั้งแเกิดที่เกิดเกิแล้วมันก็จะเริ่มากเกิดตัวกกฟังอกมันอกสตก๊กปัญญาฟังแ น, น่นลงที่ใจแล้ว คนเมืยังกิสมอกันกันวุฒรกที่สามมาวเสมงกัลเนี่ผลทานผลถินผลภาวนายิงย้อนก็กันเนี่ยก็ไปตามมันนั่นเออันุสันอันยุเง่าคือกันห้ามไม่ดีก็ดีคนโง่คนสลาดก็ดีคนสั่งชงสั่งําก็ดีทำจําแนกฝักให้เร็วลเลยดีต่่งกันจาแนกจาแนกจาแนก จำแนกเขาอ่านเป็นจำแนกหรือจำแนกหืมจำแนกอันไหนฮาวาห้เคฮาอ่านตำรวจตำรวจเขาบอกว่าตำรวจเนะี่ยฮะมันก็ไม่ห อ, อน้ำหนาดิ้ <c oughs> สัมฤทธิ์ปุณิสัมฤทธิ์เนี่ยฮาอันไหาา น, น, น, น, นเขาอ่านตารวจวันมันก็ไม่ตัวห อ, อนําหนาดิ้ าประโยชน์มาถางไปให้สั่ง ก, กับอ่า น, นเขานมลขอเขาพวกผู้เก็บจะ อ, อ่านประโยชน์กับประโยชน์ก็ามาเป้นประโยชน์นะเดี๋ยว่าไปไม่ไปหน้ามไม่ไปน้ หือหมดนี่ยหยเขามายินดีนมือเห่าให้ยูป้าหมดเนี่ยเขาคิว่าที่รมศาสนาพุทธเนี่ยให้พระอาศัยปาจังเม็ดร่มศาสนาพุทธเข้ามาสแ่นี่ที่เขาวมาสิก็ไตปิรุกบดไดสิบ่ม่มีปามันไม่จะบดยินดีในเสนาาสนาปางนัน ยืนยในสนวนหหนทางได้ตลาดนัะการกดกลางม่งมอยู่นั่นขายเด็กขายพระพร้อมวางสมองะครเห็นผู้แปลว่าพวกมหาป ร, ริญยาตัวแปลว่าจับประเด็คือโลกบอกอนุสาสีบอกจริงไหมลูกคำรัยเสนาฉันนั่งนิสัยประชาตะท่าเตยยาวเสียงอุจโมกกรณียโยตนเตยยาวเสียงกรณียังนักการกดอยู่ที่ตลาด จนตลอดชีวิตทีว่าสันตนินข้าพเจ้าไม่เกันอันที่ว่าห้พระอาศัยปลาดีๆำะมอยู่ปลาก็ยังมวยบอนดูอยู่ขเข้าพเย้าในเมืองมึงรู้เหรอคือข้ามาปีที่แรกมืไรเหร ปีสองไหมปีสองให้มาไอยู่วันว่าเป็นรักแรงคนไทยพวกมันจะจังไรมันตกข้องคนอาเนี่ยพวกท่านมาหวุนเหนวง กาท้งานนอกคาสัง่องอะไรมาแต่เอาอะไราันาาานี่กายสภก้องตาหาท่านมนอยู่กับพวกข้องตาหาคณะตำบลท้องทรา้อ ง, ง, งม่นนานคณะอำเภอของทราย้องว่ า, านพวกทํานนี่ทํางานหนอกคาสั่ ง, งนนอะไรมาครูไอ้คนงอบ้ า, านเป็นเล็บแรงไม้ตัวาอย่างไรที่จำรพรรษาหนึ่งพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้จํารญษาเนี่ยกระถ่อมผี ไม่ให้จำมันสาในตุ่มในคาในรบให้มีบานประตูเปิเปดเข้าออกจะเป็นฟ้าแฉกตองก็ได้ไม่ให้กำมันสาที่ไม่มีคำเนียบเลยนี่คนทั้งบอกคนใ น, ใ น, คน้อยมากนะถือว่านี่มากเมื่อกทันทํางานผิษนอกเหนือนอกคำสั่งมาคูข้นงโลบะอะไรเงี้ผมสิโยงี่นะใครคือมาเบียดเบียน โดยเบลี่ยนกรานนาทานนเด็ ก, กไปเยอมากๆไปเอะ่นั้นมากคณะอัมพวิยวมผมก็มีขึ้นมาคณะจังหวัดผมก็มีขึ้นมาพวกท่านก็ยุคนั้นนี่นะกล า, า, ายมาุญมาไว้เฮียมาาไหกคณะตำบุเพื่อเฮาคณะทำบุญหาก็มี่าคณะจังหวัดห้อกัมีคณะอัมพวเทย์ห้องกัมี กุ้ม <reg> ่ผ you know no, so, ่าจนจนกลุงเทพรับท่านโบรี่อายุน้ำผ่านจนุมีผ่านอกไปห้างคนวางีได้ปะขอผูจงตั้งแต่กาของสงนไวะเมาตบตาบอกวะไปเน่าค่อยๆ่อยหน่อยห้อวได้ค่ะนามันยังนมย่ีู่จับแขครึ่งเลยได้สันอ้ามันยังนมโย่สี่กูคจับแขนึ่งวคนเราเน่ ข้อนี้วิ่งมาถึงน้อยก็ห่อได้ลต่ห่างไปยังไงเสียฮะอ้วห่อถือฟองข้อน่าจะน่าอย่างหนึ่งไม่ก็คอยรอเดี๋ยวเขาหาว่าห่อเกินเข้าไม่ตัวอ้าวแล้วพอจะหอเอนี่ยอหน้าเพิ่มมากหน้าเพิ่มมากทีแหละหน้าเพิอว่า มาเพื่อสุดหน้าเพื่อต้องดับเพื่อข่มที่หน้าพันเอกกามาหน้าพันเอกกามาเขาอยู่กุฏีร้างนะ่ะเราถทําูมอูแต่ว่ า, า, ม, า, ามันทำมันทำอะไล้างของมันล้างของขามป่าหาของอกตึกจะเ ก, กียวมันเรื่องอะไรแล้วห้ง อ, งองตึกขามไปไม่กับขามไปับ กุฏิังเี้แต่บ่าันนี้ระเบียงอ่ะมันจะกุฏิคนลวนอนระเบียงอันของอกึ ก, ส ก, กเส็จหม่หรอกอยู่กุฏิรังเงี้ยเจมายู่กุฏิที่รกที่ยูกุฏินีู่เฟื่องฝากฝากสร้างอยู่กรมมานี้มันนี่แล้วนนก็มอ ง, ม อ, งอยู่นี่สามปีนี่กุฏิเฟือ่องหอจากนี้ถปอยู่ันถ้ไปยอยู่บ้านว่างอะอยู่บ้านพุทธชั้นชมมา มาหาหมื่อซื้อเมื่อมาเทือนังซื้เมือมาเทือนังบ้านเมืองภูเก็ตไม่ใช่ภูไมมาหาหอนี่พวกไปฟ้องเขาดฟ้องเขามาเป็นขโมยขู่เนียนสูขู่เนียนขู่เนียนเหมือนคนเทียงทำขูเนียนสูยี่ทงทำเพิ่มโธ่มันถ เ, เป็นคขโมนี้แข็งไหนฉันตัดแข้งสอนอยาดม ทั้งสอนให้มีเส้นหาเส้นแปดทั้งสอนการท่บุญกินท่าอ้อยไหวคาสัทัศชีวิตประศักดิ์ไหวเฉลีอวไหวยาเพื่อนก็บ่กแพร่บอกขอสายเพื่นก็บอกเหล็กบอกคว้าสาะเพื่อนเดินนกกรมเพราะว่าหน้าฉันแย่บาปแล้เพื่อนฉันเขาข้ามเดียวเดินนกกรมฉัน้ปวดถ้าสงสัยอะไรก็ต้องถามกันปากกาไม่สาคัญเนอมันพลิกไปทางไหนก็ได้ระวางสิสงสัยอะไรก็ต้องถามกันวางทับแตหากรเ้อง ในโลกนี้อะไรเป็นใหญ่ต้องสังส้งสมธรรมะกันมานี่มมหาภักก็ต้องสังส้งสมธรรมะโลกใครก็มีอยู่แล้วโลกนี้อะไรเป็นใหญ่ตอบดูรู้อย่างแรกเปลี่ยนความความรู้กัน คุณนึกเห็นว่าอำนาจเป็นไงคําว่าอํานาจเป็นใหญ่มันก็แบ่งเป็นสองอำนาจในทางชั่วเป็นใหญ่ไม่ได้อํานาจในทางดีจึงเป็นใหญ่ได้ระว่างสิเคลื่อนพ่อพลเมาองศาสนาอํานาจทางดีจะเป็นใหญ่ได้อํานาจในทางชั่วเป็นใหญ่ไม่ได้ตอบให้คะแนนครึ่งหนึ่ง <laughs> ว่าเสียงคุณนึกอีกสัก เรียนตอบอีับเป็นหน่อยซับแบ่งออกเป็นสองซับอะไรบ้างอธิบาก็ไม่ทับเป็นหนครับซับแล้วไปทําอะไรก็ได้ซับแบ่งเป็นสองสังหารี่มาทับอสังหารี่มาซับคือวัตถุนิยมรับภายในคือทานศีลภาวนาเป็นซับภายในอีกเหมือนกันศรัทธาซับศีลรัพย์เทนิซับโอตปะซับกาคารัพย์ ปัญญาทรัพย์นี่จัดเป็นเนทรัพย์ภายในนี่จะถูกแต่ว่าถูกโดยแต่ให้เสี่ยวนิดครับ ไ, ไ, ไปครัไปส่อที่เท่าส่อช้ธรรมะขอแล้วดวงวิบไปดวงรุ่นมาอีก ยหาม่อกาอีกมาโอเกเปิดเถอะเวอรบังที่ช่ำกำลังหน้าพัดเอกมากกาสงสัยอะไรก็ถามกันเนาะหน้าพัดเนาะเรไปคาดคะแนนเราเขียนออกเสียนเอ า, เ น, เอาเน้ะนายแม่เพิ่มมาก มาถามข้าวก่อนเราควรไปฝั่ง้อำเภอตัางดันหรอกในอำเภอคาบูบางียงหรอกในอำเอคำ บ, คำบูบางไปแล้วก่อนในอำเภอคบอาบูรักคนถ่ามากรักคือบ่านคนเล่าเล่านอำเภอคนนี้ยศรัตไปวายนะันเผ ส, สเจเอาปืนไปเสียงหปหันวายน แต่ยวว่าที่พักการอาวางมันขึ้นเนี่ยบู้วะเอาวางสิมันน้ำจะกอันมาสั่นไปยั้งพียงวัฒน์่ามั่นเอาางว่าผมสอบจกไปเพราะเพราะว่าสอบจกไปที่แ่เขาใบ่ถหกตายเาหันมมาพี่มัทว่าผีไปยั้งมาสั่นนได้ทําลนไม่ยั้งแน่สิมนี่จะขีเกียอะไรยืดในหันเนี่จะบินหอยในหันเลยซุ่มสิตายวะเสี๋วเอาเครื่องอะเสียงไว้บอกว่าพกาอย่างะ โอ้ท si ับไปเชื่อหรอกครับเจ๊ชื่อไงล่ะอาจารย์เฮ้บอ้ยบองเขาแปลว่าเขารักเก่าเขาถือเงี้ยเขากระรับเขาถือรักข้อเขาถือผมไม่สงสัยหรอกเขารักใจเขาถือเม่อวานเนาะมีแต่เขาี่ยอมเลยเนาะรักกันอยิ่เงา้ยเล้นะวัน ่ส่วนนักทันเอกว่าหันบนุเนี่ยโอ้โดีกว่าดีเว่าเนี่ยเ่ามาหามดคนปูกเกา่าได้มากับผมนี่อยู่อำเภอนาแก่เ น, น่ะเขาไม้มาตรวจทางนี้อรยเี้ยถ้ากระผมอยู่ใกล้ๆก็จะมาแทวเล่นกับลุงพ่ อ, อบ่อยๆแต่ว่าหลักอันนี้ทำทำไมรักจุดไฟ ไฟหนอไฟเด na, ินจงกรมท่นนี um. ่นั่นนี่นั่นเดินเดินจกรมขยันเนี่ยพม่มีหกมไเดินจกรมเดินจกมคือเดินอะไรก็คือเดินเปลี่ยนอิยาบทภาวนานั่นเองมิจฉางมันก็เดินอะไมิจฉนอนมันก็เด่นอะไรก็ต้องเดินเปลี่ยนิยาบทก็เดินภาวนาธรรมะนั่นเอง ต้องใช้อะไรก็บอกกันถามกันเนอะหรือจะมาตรวจเอกสารก็ได้ขึ้นมาอ่อไม่สงสัยอะไรกันในการเรามาตามในผลใเเ น, น, น, นเนนกลือขณะว่าผมว่าว่าเกลือแนวครับค้อมหานี่มันมีแนวเนี่เป็นแนวเพอาดแตแก้ในข้นอกกมหาน อันควบจริงเนี่ยมันแก่กว่า ไ, ได้วย้าไม่จริงจังาวาเนี่ยแกงากอันควม่จริงจังาวานเนี่ยโอยมันแก่มันจะไม่ปักตูแก่แก่กับแก่กัอาหารแกสำหรัอันควบจริงเน่นะมันแก่ง่ายก็ว่าเขาอุยถ้าไม่จริงที่จังวานถ้าจะให้อตมาอธิบายมันก็อธิบายรึ ก, กว่าพวกคุณนั่นนะ ตัวี่ยังไม่คนทุกเนีนว่าต้าท้องสารเป็นคมมนิสทงนั้นถ้ามีกิเลสมาเสียงกิดเสียงใจอยู่ท้องเท่าน้นจากคอามมนิสตัวแรกคือพระทหารูดประสงค์ปฏิบัติมาใช้ไปเนี่ยเป็นคอามมนิสท่านละกิเลส จ, จูงไปไปทางราคะโทสะโมะ่ะพรทหารจำเพียงเดีย ว, วกิเลสจูงไม่ได้ค่นจากคมมนิสไปแล้ว ก็มายึม่ไมามายึดเอาเป็นเนนนใในฉนนนเลยสึกเนี่ยมาได้มาันสนใจในธรรมะทั้นตอนนันเลมะขงใครปะเนี้ยปล่อยแับไงเ <c oughs> พิ่นเกิดมาจากใสพ่อแมาา่เพิ่นคนเ้าหน้าหรือชัางหน พ่อแม่เ ป, เป็นหากินจังไหนน้าะกุลเชื่อว่าจังไหนพ้งสาวดาามาจังไหนบวชมาแล้วมาอยู่กับผู้ใดผู้ใดฝึกปือ้อเหลงจังว่าสืบมาเนี้ยแต่เขาว่าเรื่อเป็นสร้างแตกปอบว่าอายุหากินออกจากสรกนักใดไปฝึกปื้อนับอาจารย์องค์ใดมันก็ต้องสืบบนพ้องสาวดานคดีดําคดีแดงโยนใน้าราวาสเป็นคนจังไหน ก็ต้องสืบว่าจะผลมันมก็จังเม็ดเว้นเอาวางเสี้ยวเอาวาเลยเนคนเศ้าหน้าแถบหรือคนซีซักรับคำว่าซกหรือมีคดีดําคดีแดงให้ร้องให้ศาลมาบอกหรือเป็นคนอย่างไรก็ต้องสืบมามันมาบวชออกจากสำนักไหนออกจากครูบาอาจารย์ไหเพื่อนฝึกปือไปจังไหนมันก็ต้องสืบเ ของบริบัิบัานเดียวก็หงชักเพราะฉนั้นต่างนึงก็ว่มีวนตรวพักพวกคอยเมื่อกี้คนมากข้อมูลอย่างมาสันนิษฐายบริษัทบริวาพวกงานยมซึมมารักษาเส้นอยู่นี่ก็ไม่จะซื้อเส้นหาทหางเลยซื้อเส้นหาขายค่าเส้นหาไปในข่าวว่าคนหลัพต้อับแ่าวากตาเนี่ยคนหนึ่ง เขาไม่อ้กันคนนึงพวกนี oh, oh, ้มันข้าวดาบันหมดแล้วพากนักฟ้าเสหาบริสุทธิ์ไม่ไอ้กันเนี่พ่อวันหน้ามงนมันคล้อยแน่เพื่อวนนี้เจอขึ้นฟ้าพุ่นขันคุนุนรุนลงมากมาตั้งอเู่ากบัตาียตายโอ้ยเจอสภาพการเล่าการร้ายเตาะไม่ใช่พวกนีจะพ่อวันหน้าตายอะไรกันจะพอการเ่าะ ข า, างห น, น้ามงคนป่วยพ่างหนาเาป่วยคนป่วยพาหน้า่ก็เพิ่มอยู่ น, นนะเาจ่อยจนียย่ยแล้วก็พ่อขางหน้าไปโดนเจอแล้วก็ได้ตายซะหัวหันไปกันตายชัวโมงหนึ่นงย้ำพันแขงเลยแม่ น, ออน้าม่ออกถอนแม่ออถอนเขโทรดบนมายนี่เชนหาประจําน้าขึ้น ร้มาเดินนกงกรู้ของพ่ทะเลสิแล้วรัวลงมานอนนอนร้อนลุกกันไนผัวรักนอนรับลงมาเดินน ก, กมเรียนง่ายรู้ของพ่ทะเลสิทองมันเป็นบางโมท์มันใครเนี่ยชะตาภาชะตาเมื่อ อ, อบนตะหอดเมื่อ อ, อบนเนี่ยเขาเรียกว่าพาก็ต า, ายไม่ภาก้อตายไม่มีใครรักษาได้ ว่าจะเอาเึ้ืมาบาดว่าเครื่องว่าเเมื่อระยะรักว่าสันญาหัวมันตายจะตายนนก็นีแหละว่าสันมันจะมากครื่เมื่อมันก็จะเป็ดทุกเครื่องกระหน่ยานะฮะตายที่ทั้งบ้านเขาก็จะประค่าวง ว, าว่าเขาว่าตายจะผิดซะว่าสันว่าถ้านี่คืี้กันไหวพระสักก็อนหนึ่งแลวาไหวพระลงตามที่แ้วไ้เขาพาเขาพ า, าพอลไรก็ไเมื่อพ่อตามที่หน้าที่เซตขอ้อหลอกเราก็ไป ตายตายเลัวหายเลยเขาต้องสารผัวหายลายเขาก็เลยซอยมาตัวก็่อยนิย้สอง่อยหมบลื่นไปรันผาหน้าข้ามี่ที่ประเทศบางต้นตอนในแชฟเอฟประเท บางไปสํยเร็จเสียกโชว์เพราะที S <S ่จะเกิดอีกหาซากตัวนั้นออกจากเอาวิหาไปกระสุดไปอัตปาออกจากอาตปาชุธทศาออกไปสุธทศาไปสุธทศีออกจากชุดทศีประกันอิสกะอย่างพริ้ในผ้าในควอมันแล้วบางกําพวกเอกเอาไวิหามาไปไปอัตปาออกจากอัตปาชุธทศาออกจากุทศาไปชุดทศีออกจากสุดาีไป การนิสกาบางคำพวกคนเอาวิหารัพป่ามาไปไปซื้อัพษาออกจากซื้อทัพาไปซื้อทัศีออกจากซื้อทัศีไปการนิสกาเดี๋ยวจึงปรินนิพพานอาหารบางคำพวกเอาวิหารทัพปาซื้อทัพษามาไปไปซื้อทัสีเลยไปซื้อทัศีออกจากซื้อทัศไปอาการนิสกาปริ้นนิพพานในห้องนั้นก็หลักสกตโตด้ี เ่าในิยนี้ิดศาสนาพุทธเจ้าของาพรดาเนี่ยมันก็บอกว่าเถอเกิดในศาสนายุคพุทธเจ้าของข้าก็ม่เกิดในพุทธิยานก็นี้เกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าของข้าเนี่ยครับแม่พระพุทธเจ้าของข้าเนี่ย ก็โซดตัวด่านคนี้เหอคือความหมายของผมว่าปกตั้งมที่ว่าได้ตัดาไปแล้วนะครับแต่ับเรมันกิดข้คือว่ามันเกิดขึนน้นทั้งหมดนครั บ, บี่ขเรื่องตหลังขัดขี้อับสารพดอย่บ่ได้มันเต็ ม, ามาย่มไรแก่สามรารถเป็นได้ยังใครบ้ามากใเพียง <c oughs> <c oughs> เป็นสา ม, ม า, ามันเต็ ม, ามาย่ำไรแต่สามรารถเป็นเต็มได้ ย, ยัง มันสูยงามเลยความเป็นทําอันเดียวกันเก็ เ, กเพิน่นก็มีความเพียรเนี่เนมนไปซือพวกมุ่มาางมีความเพียรเนอพวกพดาบันสัขฆ่ามีอนาจามี่ไปยู่สงสรมันนีมจะอยู่ซือมีความเพียรอยู่เนี่สันนลวมีความเพียรนี่่มีนขึ้นหัวเหเนี่ยอันพระพุทธเจ้า ม, มา ก, กเป็นยุคของพันต่าห่างมันเป็นทอันเดียวกันนี่ยมันยาก พระสวดบันกันพสวดบันของพระโคตรธรรเป็นแบบนึ่งม่เราัดเป็นแบบนึงพระสวัสดิบันของพระียเมตยตายก็ม่เสาดเป็นแบบหนึ่งมัน่เป็นทั้งสัน่ันบอกกันได้ด้อเกลือนี่ไงเลือห้องไผก็บม่เราเทมืนเดียวกันองกันว่าเข้มะไรเข้มอะไรเข้มอะไกันหร มา้านคือค่อยแนพราพุทธเจ้ามาได้ยมากเรมากอพวกนู่นอยมันถึงโลกุตลาพระพุทธเจ้าไม่มีวันนันิดนั้นกจะคองอยู่ทุกเวลาไม่อกาอันมากกัมากเพื่อเพื <that> ่อปดทุ <that> ่หนะขอนั hmm. <that> ่นไ so ่บอกเขาสังว่าทุมันั้นมันปวดเพราะปวดมันก่ไม่เกี่ยวนะพ่อไม่อกเสังว่านั่นคนจางคนท่าเขาช่วยคนนีพาดเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยนั่นคน้างคนจักท่าเขาช่วยคนนี้พลาปวดเ่ราโปวดกัทเข้าหัว่าวันนั้น นี่อิสระที่เขาพันอย่าพัานผู้เดเขาพันอย่างพันผู้เดียวได้พระพุทธเจเ้าเสียบเสียคับเขาอกเังว่าพรงเจ้าค่อนข้างเลยดีไม่ได้สงสัยเลยแต่คิดว่าอะไรพระพุทธเจ้าเนี้ในดวงใจเขเรีเรเ ย, วว ก, ยกว่าไม่ได้ถือว่าอะไรแต่คิดว่าพระพุทธเจ้าเสียบเงข้างเยอะอพวกค่ะเของเสั่งว่าเสงข้างพระพุทธเจ้าเกิดมาเป็นยกกัน เกิดมาเพื่อพวกตั้มก็นั่นในว่างสันเขาใจบอกนี่เกิดมาเพื่อพวกตั้มก็นั่นมาสามวันนี้ก็เพื่อพวกตั้มก็นั่นพวกเที่ยวหุ่นชักคนท่าก็ปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยอะไปทำอัตโนมันละบ้านบางค้แวะส่แวะขวลยอะพวกนันไม่สงสารก็จอยรังยุติการไ่สงไรก็สิผีก็จะท้างยุติการ นั่นสิไม่ผู้คุมผ่คุมขอส้างเสงสัยว่าจผีอกจะสางให้เพีบหมดไหมเขาหอมหองเลยเนีดยเออโน่นตายเยอะขามันไม่ได้ขึ้นยากเพื่อนเพื่อนเพะ่ทศหลายอย่ารลวงมันสิยากแค่หยั่งซังออกเ กรไจาก่วงมันจังทีไปทุกข์ตัวเม่นว่าสัตว์แเมื่อเสียรายจากลวงมันติ ท, ทุกข์ไ ก, กท่ที่ยังสัตว่าันวันนี้เถอมันมีความอยากลวงอยูอย่มันกระทุกก่เห็นไหมันไม่มีความอยากรวงจังเมธีวะจังไหนมันเถือมันเปนทางขี้หายถูต้องใช่ไหมข้างสาวยาสูบแล้วเนี่นเเยเนาะข้งเ่อเสียรายจกสูบอีกนย่งว ท่นยังเสียดา ย, ยากสูบอีกเข้ากบไปทุกตายที่ น, นี่ในเรื่องใหญ่นี่ก็ได้ว่าท่าว่าเพืว่าเขาก็ไม่ได้ว่าเลยสูบว่าพ้ที่สั่เขาก็ไม่อยา ก, า <c oughs> ก, กสูบเลยวพวก เ, เลี่เือนพระน่กันเหน็นแล้วมันชิ้หายดิงแนะล้ต้องไปไหนะพระสดอวันเห็นครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่เสียดายว่าสิ่งเสียดายอยากเปลี่นเรืนเอน้ำฝยในนี้น้ำฝ น, น, นได้ยังนน่านนสัยก็ว่าจะสะออนนะ น, อนิเดีได้ก ได้กระทื่ว่าไห้งูเหามากัดเจ้าของยังสี่ได้เนี่ยตัดลงัท่านหลง่อกัทพระจุ้งที่ว่ามีท่ันันที่บอกงมเป็นแหนงบาดงูการีเป็นการตน้นหนึ่งวัน่เดนห่งพก็มาพอถึนวกรพนั้นแอบกินยน้าันนี้กระพงนั่นก็มีขว้มเบี้ยมใสเขาอยู่จังไปบอกออค์สัตองคัวครับอู้ักว่าเขามาท้ามูกเล็กอยู่หอเขาเป็นหน้าที่เ้าใช้หามคาดจ้ะ ชอบเรป็นเรื่องของเขาห้องขามผ่ากห้องขวิตถอดถ้าห้องประาส้องเสริมเขาโยงห้องกับปโทษกับเขาอันดีนั่นเขาเรียกว่าห้ไม่เกจตานากับเขาหงตัวเป็นโทษต้องเขาหน่ตัวเขาไม่เกียจต้านเขาเขาไปโผเอาเป็นเรื่องของเขาห้องขโ่ยเดีวรับรอกนําเดี๋ยวเขาม่เจตานาขับเขาห่ตัวมือเมื่อยจังสิบงบ่งงหนังสีอมหลังสแล้วมันจะเป็นยงมือหาห่างสิ นั่งฟันนั่งสั่นนั่งฟันนี่งยู่ก็แปลว่าคอยส่งเสริมเขาอยู่นั่นคณะเย็นดีน้ำเขามันกับ่ัถุสวสี่ออกปากว่ออกปากก็เป็นปัญหาที่ว่าจะเยินดีน้ำเขามันกับผิดโกร่นเนาะมันก็บมันพูดมาสุดๆวันเพราะเจ้ายังสำคัญวาเจ้ายังเห็นผิดยู่จังยังเป็นมิตสาธิติเจ้าเห็นว่ามันถึท่านเจริญเนี่ยมันท่านขี้ายตรง ปลาบลาปากม่เป็น ป, ปัญหานี่ยเขาบอกมันบอกเป็น ป, ปัญหาเนี die, oui, ่ยมันสคัญกรบปากก็ะปาปากเลยเนี่ยปาปากเจียหังยินดีําเขาอยู่มันกับพีคคือกันที่ว่างได้สิไปบอกยังเจี๊ยบอกสักเขาขาสักกันยินดีทำเขาอยู่กับบอมยนทศดาว่์คือกันปลาปากปลาบปาปากมัเป็นปัญหาเี่ย เขาลักทรับย์งี้น e ี then, it, it ้เขาอย่เขาปรพิพิษในกมเี้ยหนีน้ำเขาอยู่เขาล้วงะเมิดลูกเนี่ยผัวอย่นดีน้ำเขาอยู่สิเขาพูดจะหลอกออกได้เลบวาออกเขาเปลียนสีทับทาเยียมไปได้ก็เต่าน่ว่าถ้าคิดใจงยินีน้ำเขาอยู่มันก็พิดซ้ำกานหมดสีทัทาซ้ร่วมไปไดกระซ่างถึนเลยมาถึงเงี้ยหนีน้ำเขาอยู่ เฮ็ดังสี่ยุคก็ยิ่งดีได้อยู่สิว่าจังไหนคนเขาแม่นว่าสัมพวกครับได้โคโลสิเที่ได้บอกอย่ง้เดังสี่ยุคก็ยิ่ดีอเขาสิว่าอยงไรอืม่าเยาอก็ขบอครับว่านานหน่อยเมื่อว่ามิ่งแผลเอวยาพิษมะโปะมันกับพวเขาสิว่าอย่างไรําไดคือการเจรต้านาคนวิ่ง เคยบอกเย็นดีนะเพะ่มันกับมันกับพวกพิษแหละโอ้โห ม, ม, มอ า, อากคือเมื่อวามีแผอ่ะยาพิษมาใส่นีมันกับพกเขาเดดมันที่ออกตัวนั่นตมันทออกตัวนี้ฟันยังสันนงส่นตอนฟันยังตอนถ้ามาาสตเนื้องคุท้าให้เขาท่าน พิกดยิน <KNOW> ดีน้ำเขายถามว่าจะคล้องยินดีน้ำเขาบอในเวลาที่เป็นอย่างนั <m <unto> <m ้นเธอยินดีเขาเขาไหมถ้าพระเจ้าถามจะก่อนถ้ายินดีกเขาเขาผิดเขาเขาทำผิดเลยถ้าม้เข้าเจ้ามันยินดีด้วยเธอนอนฝันไปเอาสุเกื้อเคลื่อนในเวลาที่มันเคลื่อนอยู่นั้นเธอยินดีไหม ถ้ายนเธอยินดีอยู่มันก็ผิดถ้าเธอไม่ยินดีมันก็ไม่ผิดพู้ที่ชั้นอาหารไม่พิจารณาเป็นปฏิกููนอนหลับไปอาจก็อาชีพ ก, ก็มักเคลื่อนผู้จะพิจรารณาอาหารหรืออาุพะอาุฟัง เนี่ยงานพอจำควรเนี่ยไม่มีเลยนอนก็ไม่ฝันเห็นอนลามุส อ, อันเดียวก็ผูนอน้าภาวนานอนฝันเห็นเหตุหลายอย่ากัน